ทรงประชมุมสงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชมุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินจริงหรือภิกษุชาวเมืองอาราวีทูลราบว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉนยพวกเธอจงขุดบ้าง